พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาและเป็นชีวิตที่ดีที่สุด <c oughs> นี่ก็เวลานี้ก็มีปัญหาทางศาสนาเกิดขึ้นหลายเรื่องแล้ถ้าตั้งมีปัญหาขึ้นมาว่าเจ้าพูด <c oughs> เรา ควรมีท่าทีอย่างไรเอ่อ <c oughs> <c oughs> ชาวพุทธเราควรมีท่าทีอย่างไรถ้าพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือถูกตีเตียดก็ควรจะมีท่าทีอย่างไรถ้าจะมีคําถามอย่างมีขึ้น จะตอบอย่างไรก็ควรจะตอบตามที่พระพุทธเจ้าท่านเคยให้เนยะเอาไว้แก่ภิกษุทั้งหลายนะครับเคยสอนภิกษุทั้งหลายเอาไว้ก <c oughs> ็จะเล่าให้ฟังก่อนเล่าเรื่องให้ฟังก่อนนะครับคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสาวกจํานวนมากสเสด็จ พุทธดำเนินระหว่างเมืองราชกึกกับเมืองนาลันธ า, าปริกาชกคนหนึ่งชื่อสุกติยะกับลูกศิษย์หนุ่มคนหนึ่งชื่อพรหมทัตก็กำลังเดินทางไปเช่นเดียวกันปริพาชกนี้หมายถึงนักบวชชัที่หนึ่งในสมัยพุทธกาลนะครับต่างสำนักอยู่ประจำบ้างเที่ยวเร่ร่อนไปบ้าง ที่นี้ทั้งสองก็เดินตามพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์สุ ภ, ภีรปริปาจกผู้เป็นอาจารย์กล่าวที่เตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ในส่วนพรมทัตมานพกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อาจารย์และศิษย์ทั้งสองก็เดินขัดแจ้งกันไปตลอดทาง ในลัตรีนั้นพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ประทับเเพมที่ตำหนักหลวงในพระสุทยานอัมพารัติกาอัมพรัตติกานี่แปลว่าสวนมะม่วงนุกสุพิยะปริพาชกและสิทธิ์ก็พักที่นั่นเหมือนกันแล้วก็ยังคงกล่าวโต้แย้งกันเช่นเดิมเวลาใกล้รุ่งวันนั้นภิกษุสงฆ์ ไต่นั่งสนทนากันเรื่องที่สิษย์และอาจารย์ทั้งสองฉันเสร็จและติดเตียนพระรัตนตรัยอย่างไรแล้วก็สนทนากันถึงคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าทรงรู้ทรงเห็นการที่สัตว์ทั้งหลายมีอัจฉริัยต่างกันถ้าเชนอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าเสด็จมาพระทรงทราบเรื่องที่ภิกษุเหล่า น, นั้นสนทนากันแล้วก็จัดด้วยพระเมตตาว่าภิกษุทั้งหลายถ้าใครกล่าวตีเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็อย่ากโกรธเคืองอย่าอาฆาตคุณแขงเขาถ้าโกรธเคืองจะก่อนแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากล่าวถูกหรือกล่าวผิด แล้วก็ถ้าใครกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็อย่าเพิ่งยินดีลิงโลดใจรับเอาไว้เพราะถ้ายินดีเสียก่อนแล้วก็รีบรับเอาไว้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขากล่าวถูกหรือกล่าวผิดอ <c oughs> าการที่ด่วนโกรธก็ตามด่วนพอใจยินดีก็ตาม จะเป็นอันตรายแก่เธอทั้งหลายทางที่ถูกก็คือควรพิจารณาว่าที่เขากล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่แล้วชี้แจงให้เขาทราบให้เขาเข้าใจตามที่เป็นจริงนี่ยกข้อความมานะครับที่พระพุทธเจ้าจัดกับทิศทั้งหลายท่านจะเห็นว่าข้อความที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้นะครับ เป็นข้อความบางตอนจากพรมชาลสูตรที่คณิกายศีระขันธวัชก็จะปิโดกลิ่มกาวข้อหนึ่งือเป็นเป็นพระสูตรแรกของพระสุตตันตปิฎกแล้วก็เป็นข้อแรกด้วยข้อหนึ่งด้วย อ, อ, อันนี้ควรเป็นสิ่งเตือนสติชาวพุทธทั้งที่เป็นภิกษุและอุบาสกอุบาสิ ก, กาใช่ไหมครับ ที่นี้ก็ถ้าพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทเคารพนับถือพระพุทธเจ้าถ้าเราเคารพนับถือพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระสงฆ์ผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและปฏิบัติปฏิบัติตามพระโอวาทของพระองคือว่าอยามีท่าทีก้าวเท้ต่อผู้ตีเตียน ให้ชี้แจงต่อเข้าด้วยความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความสงบแล้วก็ใจก ว, ว้างเพราะแม่เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม <c oughs> แม่จะเราไม่แม่เราเราจะไม่เห็นด้วยในสิ่งที่เขาพูดแต่ก็ต้องสนับสนุนให้เขาพูดแม่ในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยนั่นเอง ไม่ปิดกั้นเสรีภาพของเขาผมก็ได้เคยพูดนะครับว่ า, เ, าเรารักเหตุผลเราชอบเหตุผลแต่ก่อนนักปราชทั้งหลายก็กล่าวกันเสมอว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีเหตุผลแต่ทีนี้คนเราทำมีเหตุผลแต่ไม่มีเสรีภาพ เขาก็ใช้เหตุผลไม่ได้ถ้าเขาจะใช้เหตุผลได้ก็้ต่เมื่อเขามีเสรีภาพเราก็ต้องให้เสรีภาพเขาพูดเราก็เราก็มาพูดกัน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่านั่นเป็นทางหนึ่งที่จะให้เรารู้ความจริงที่แท้จริงไม่ใช่ความจริงอย่างที่เราเชื่อ ส, ส, สิ่งที่เราเชื่ออาจจะตรงกับความจรงิงก็ได้หรือว่าไม่ตรงกับความจรงิงก็ได้อันนี้ขอให้ท่านพิจารณาอย่างดีนะครับสิ่งที่เราเชื่ออาจจะตรงกับความจริงก็ได้อาจจะไม่ตรงกับความจริงก็ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงความเชื่อแต่ยังไม่ถึงขั้นความรู้โดยสัมปยังไม่ถึงขั้นยานัทสนะโดยสัมปใบราเป็นเพียงความเชื่อ เพราะฉะนั้นคนใดหมู่ใดที่ขังตัวเองอยู่กับความเชื่อของตนโดยที่ไม่เปิดหน้าต่างออกมารับแสงสว่างจากความคิดเห็นของผู้อื่นบางแล้วคนนั้นมูนั้นก็คงงมงายอยู่กับความเชื่อของตนตลอดไปไม่มีทางได้พบแสงสว่างทางปัญญาได้ ที่ิงแสงสว่างมันมีอยู่โดยรอบนะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ในกระลาครอบเราก็ไม่เห็นแสงสว่างเพราะกระลามันบังเอาไว้บังแสงสว่างเอาไว้เ น, นี่ยพอเปิดกระลาออก <c oughs> พอเปิดกระลาออกแสงสว่างมันก็เข้าไปทันทีเลยถ้าอยู่ในกระลาครอบ <c oughs> ที่เราบอกว่าเหมือนกบอยู่ในกระลาครอบ หรือกังคกอยู่นในกะลาครบมันก็ไม่เห็นแสงสว่างทั้งๆ ท, ท, ที่มีแสงสว่างอยู่โดยรอบกะลานั่นเองชาวพุทธเราส่วนมากได้ถูกปลูกฝังตอกย้ำให้มีศรัทธาในพระสงค์โดยไม่ตั้งเงื่อนไขทุ่มลงไปหมดเนื้อหมดตัว ไม่กล้าพูดไม่กล้าแตะต้องกลัวบาปเปีนเยนให้พระสงค์บางรูปทำอะไรได้ตามใจชอบไม่กลัวบาปเพราะชาวบ้านกลัวบาปเสียแล้วแล้วก็ยังมีก็ <c oughs> ยังมีคนบางคนหรือบางพวกนะบอกว่าขารวาสีหน้าก็รักษาไม่ครบ นึกไปตีเตียนหรือไปวิจารณพระสงฆ์ภูมิศีลสองยี่สิบเจ็ดไม่สมควรอย่างยิ่งเขาไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวไม่รู้จักตัวเองอะไรทานองนั้นนะครับก็ถูกโดยปริยายหนึ่งแต่ว่าถ้ามองอีกปริยายหนึ่งขอให้ดูให้ดีว่าพระสงฆ์ที่เขา ที่ชาวบ้านติดเตียนชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ส่วนมากเป็นพระสงฆ์ที่ไม่มีสีหน้านั่นแหละเป็นพระสงฆ์ที่แม้แต่สีหน้าก็ไม่ครบนั่นแหละคือว่าไป <c oughs> ไปล่วงสีหน้าเท่านั้นแหละแล้วก็เขาก็เลยวิจารณ์เอาเท <c oughs> ่านั้นเพรา ะ, ะนั้นก็ขอให้ย้อนกลับมาพิจารณาซึ่งกันและ ก, กัน คือคารวะาก็ต้องพิจารณาตัวเองบัญญาชิตก็ต้องพิจารณาตัวเองเอว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าถ้าพระที่มีศีลมีธรรมแล้วก็ใครไปวิาพาควิจารณ์ในทางเสื่อมเสียในทางอะไรก็บาปนักน่าดูเลยทีเดียวท่านเป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่ถ้าเพื่ะว่ า, าที่เขาวิาพาควิจารณ์อยู่เป็นคนที่รักษาศีลหน้าไม่ครบนั่นแหละ ไม่ใช่สินสองร้อยี่สิบเจ็ดอะไรทํานองนี้นี่ก็ชาวบ้านส่วนมากโดยทั่วไปก็ไม่กล้าแตะต้องอยู่แล้วไม่กล้าแตะต้องพระสง์กลัวกลวบาปแล้ว ก, ก็สังคมเราก็เลยกลายเป็นชั่วช่างชีตีช่างสงซึ่งไม่เป็นการถูกต้องในฐานะของพุทธบริษัทผู้มีหุ้น คือมีส่วนรับผิดชอบต่อพุทธศาสนาร่วมกันพระพุทธเจ้าทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งหมดทุกหมู่เหล่าไม่ใช่จะพะกับพระสงฆ์หมู่เดียวพระสงฆ์หมู่เดียวอยู่ไม่ได้ท่านจะอยู่อย่างไรอยู่ไม่ได้อุบาสกอุบาสิกามีส่วนสําคัญในการ ธนูบำรุงพระสงฆ์แล้วก็ในการที่จะช่วยจันโลงพุทธศาสนาให้ถาวรมั่นคงต่อไปแล้วก็ถ้าพูดกันโดยความเป็นธรรมแล้วอุบาสกปัจสิกาก็มีส่วนเท่าเท่ากันคือว่าต้องรับผิดชอบพุทธศาสนาด้วยกันทางวัดเรียกร้องให้ชาวบ้านบริจาคเงินที่หามาได้ด้วยความเหนือยยากลาบาก บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่ <c oughs> ชาวบ้านก็ช่วยกันบำรุงพิสุทสงฆ์ให้อยู่สุขสบายต้องขอัยที่ต้องกล่าวว่ามีเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่อยู่สุขสบายด้วยปัจจัยสี่รวมทั้งญาณพาณะที่ยิ่งกว่าชาวบ้านผู้บำรุงเองก็มี <c oughs> ชาวบ้านหวังเพียงให้ท่านตั้งอยู่ในศีลในธรรม เป็นเนื้อนาบุญของเขาไม่มัวเมาอยู่ในลาบยศเสียงสรนเริญและบริวารห้อมลอ้อมที่พระพุทธเจ้าจรัสว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งของภิกษุสงฆ์แต่เมื่อพระสงฆ์บางรูปทําสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจว่ามีความผิดพลาดปกครองชาวบ้านที่เตียนบ้างตามสิทธิของเขาทางที่ผู้เป็นสิทธิทางบรนประชิตและคฤรืหัด ซึงงขอรบนับถือภิกษุนั้นและตัวภิกษุนั่นเองควรจะทำก็คือรับฟังด้วยความสงบสุภาพไม่พึงเสียใจไม่พึงโกรธเคืองถ้าเสียใจโกรธเคืองและปฏิเสธเสียแต่ตนแล้ว <c oughs> จะรู้ได้อย่างไรว่าเขาตีเตียนผิดหรือถุกเพราะมีโทสะคติคือลำเอียงเพราะโทสะเข้ามาครอบงาเสียแล้ว ในสมัยของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทมากมายเพราะชาวบ้านตีเตียนทั้งนั้นลองไปลองไปเปิดดูในวินยัยในต้นบัญญัติวินัยบัญญัติสิกขาบทเป็นวินัยมากมายเพราะชาวบ้านตีเตียนทั้งนั้นเราฟังเสียงชาวบ้านเพราะว่าชีวิตเนื่องอยู่ด้วยชาวบ้านต้องฟังเสียงชาวบ้าน ไม่ใช่ไม่ฟังเดือเลยแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนว่าแม่เขาชมก็ไม่พึงรับเอาไว้พระทารีรับไว้ด้วยความดีใจเพลิดเพลินในคำชมจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาชมถูกหรือผิดเพราะว่ามีชันทาคติจอลำเอียงเพราะความพอใจข้าวครอบงำเสียแล้ว การยึดมั่นในตัวพระสงฆ์แฉ่พะบางรูปมากเกินไปยั ง, งหลงไหลคลั่งคล้นั้นดูไปแล้วก็มันจะเป็นฝ้าบางตาไม่ให้เห็นสัจธรรมแม้จะชอบฟังธรรมของภิกษุนั้นก็จะไม่เห็นธรรมแม้จะเที่ยวติดตามภิกษุนั้นอยู่ ก็เชื่อว่าอยู่ห่างไกลจากภิกษุนั้นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าภิกษุแม่เกาะชายสังคติของพระองค์เดินตามพระองค์ไปทุกอย่างเก่าแต่ยังมีความโลภมีความกำหนัดแรงกา้ามีจิตพยาบาทไม่มีสติสัมปชัญญะจิตใจไม่มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอุจมุกลิ้นกายใจ ภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไกลพระองค์และพระองค์ก็อยู่ไกลภิกษุเช่นนั้นเพราะเธอไม่เห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมชื่อว่าไม่เห็นพระองค์ <c oughs> ส่วนภิกษุที่อยู่ไกลพระองค์แม่ร้อยโยต์แต่เธอเป็นผู้ไม่มีความโลภไม่มีจิตกำหนัดแรงกล้าไม่พยาบาทมีความคิดดี ไม่เป็นโทษมีสติสัมปชัญญะมีจิตใจมัน่นคงสามดวมบินซีคือตาหูเป็นตนดีแล้วภิกษุเช่นนั้นชื่อว่าอยู่ใกล้พระองค์และพระองค์ก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้นเพราะเธอเห็นธรรมผู้เห็นธรรมชื่อว่าเห็นพระองค์อันนี้จากพระไตรปิฎกเล่มยี่สิบห้านะครับหน้าสามร้อยก้สองอเจ็ดสิบสอง ่ารผู้ฟังที่เคารพกับพระพุทธพจน์นี้ควรจะเป็นเครื่องเตือนใจพุทธบริษัทผู้มุ่งถังแต่ไปจิตใจหลงไหลคร่างคลายอยู่ในพระสงฆ์บังรูปพระสงฆ์ที่พวกเขายึดมั่นหลงไหลนั่นเองก็จะมาเป็นกำแพงขวางกันไม่ให้เขาเห็นธรรมถ้าเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้ติดเตียนพระสงฆ์ที่เขาเคารพนับถือ กพจะยิ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีขันติธรรมเมตตาธรรมอยู่เท่าใดถ้าเขาวางอุเบกขาได้นั่นแหละจะเป็นการรักษาธรรมถ้าเขาวางอุเบกขาได้นั่นแหละจะเป็นการรักษาธรรมเมื่อรักษาธรรมได้ก็ชื่อว่ารักษาตนแล้วก็รักษาพระผู้เป็นอาจารย์ของตนได้ด้วย น it, ี่เมื่อทำลายทำเสร็แล้วแต่รักษาตนในรักษาะิกตูผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าได้จะสอนไว้ว่าให้มีสติเป็นเครื่องรักษาตนและรักษาผู้อื่นแต่ในการรักษาผู้อื่นนั้นให้เพิ่มขันติเมตตา ความไม่เบียดเบียนและความเอ็นดูเข้ามาด้ดยในดูในเศรฐกสูตรนะพระเจดดกเล่มสิบเก้าเศฐกสูตรนะหน้าส2งร้อยยี่สิบสี่ข้อเจ็ดร้อยห้าสิบแปดก็เป็นความบกพร่องของพุทธบริษัทเราเป็นส่วนมากนะครับที่หวังพึ่งแต่พระสงฆ์ในการเสวงหาบุญในการเจริญคุณธรรม ไม่พยายามพึ่งตนเองและพึ่งธรรมตามพระดํรรัตนสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้ท่านทั้งหลายพึ่งตนและพึ่งธรรมแม้พระตถาคตเองก็เป็นในเพียงผู้บอกทางเท่านั้นอขอให้จำเอาไว้นะครับพึ่งตนและพึ่งธรรมแม่พระตถาคตเองก็เป็นในเพียงผู้บอกทางเท่านั้นคือไปหวังพึ่งท่านในทางอื่นไม่ได้ เปนเพียงว่าท่านพึ่งในฐานะเป็นผู้ชี้ทางเป็นที่พึ่งในฐานะเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางเป็นผู้ส่องไฟให้เห็นทางแต่ว่าการปฏิบัติการกระทำเราต้องทำเองพุทธบริษัทเราจรึงไม่ค่อยจะสร้างบุญขึ้นในตนเองหวังแต่จะให้พระแบ่งบุญให้จึงไม่ระหนักในการพัฒนาตนให้พร้อมโดยคุณธรรม ไมระหนักไม่สำเนียกรู้ว่าปุ้นสูงสุดนั่นคือการทำตนให้เต็มเม ป, ปี่ยมบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมและต้องทำเองต้องทำด้วยตนเองเปรียบเหมือนถ้าเราอยากเป็นคนรวยทำไมไม่พยายามทำตนให้รวยเสียเองแล้วทำไมต้องไปคอยขอเงินบริจาคจากคนรวยทีละสิบบาทที่สิบบาท สวัสดิ์พึ่งคนรวยได้ในเบื้องต้นเพื่อการทำทุนเท่านั้นแต่ต่อไปเราต้องพึ่งตัวเองทำของเราเองออท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดแล้วครับเอาไป ว, วันนี้วันอังคารผูในิวันพุดธครับอย่างต่อได้ในเรื่องนี้สาหรับวันนี้ก็ขอยุดที่ด้วเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดี ความจเจริญเพิ่งมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและศัศนาชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ เ, เรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ ตอนนี้นะครับก็คือเรื่องศรัทธากับปัญญาวันนี้เป็นวันวันอะไรวันนี้เป็นวันวันพุทธกับวันพุทธที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับขึ้นเดือนใหม่แล้วชีวิตเราก็ร่นเข้าไปทุกวันเวลาล่วงไปชีวิตก็ล่วงไปด้วย เวลายอมกินสันทัสั์พร้อมทั้งตัวมันเองผู้ใดเผาตัณหาซึ่งมีปกติเผาสัตว์ผู้นั้นเป็นผู้กินการหรือตามปกติก็การเวลากินสันษัสั์แต่ว่าผู้ใดที่ประพฤรรติทำเผาตัณหาได้ผู้นั้นก็กลายเป็นผู้กินการ ไม่ถูกการกิน <c oughs> หรือว่าอยู่เหนือการถ้เป็นอาการลิกะบุคคลไม่มีการก็ฟังยากนะครับฟังยากก็ไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวเรื่องจะยาวาต่อเชื่อมกับเรื่องที่พูดไว้เมื่อวานไม่ได้ถ้าผมขอเชื่อมกับเรื่องที่พูด ค้างไวเมื่อวานนะครับเรื่องศรัทธากับปัญญาว่าเราถ้าเรานิยมชมชอบพระสงฆ์ผู้มีศีลธรรมมีสมาธิมีปัญญามีความเพียนถ้าเรานิยมชมชอบพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีศีลธรรมมีสมาธิ ถ้ามีปัญญาแล้วก็มีความเพียรก็ทําไมเราไม่พัฒนาทําไมเราจึงไม่พัฒนาคุณสมบัติของเราให้เป็นเช่นนั้นบ้างเพื่อจะได้เดินตามรอยท่านเป็นการแสดงถึงความนับถือที่แท้จริงและไม่เป็นภัยแะไม่เป็นการรบกวนท่านด้วย เพราะว่าการไปห้อมล้อมสักการะท่านมากๆนั้นทำให้จิตใจของพระสงฆ์ซึ่งเริ่มจะดีแล้วกลับตกลงมาเพราะหวั่นไว้ในโลกกรรมคือลาภยศบริวารเสียงสรรเสริญและความสุขซึ่งชาวบ้านไปทนเปือให้มากเกินไป เพราะว่าลาบสการะและชื่อเสียงนั้นเป็นอันตรายแม้แก่พระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงพระพุทธชนเมื่อพระพุทธเจ้าจัะเช่นนี้พระนนก็ทูลถามว่าลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอันตรายแก่พระอรหันต์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็จัดตอบว่าไม่เป็นอันตรายแก่จิตที่หลุดพ้นแล้ว แต่เป็นอันตรายแก่การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของพระอาราหันต์นั้นเรียกว่าเป็นอันตรายแก่ทิฏฐธรรมสุขาวิหารท่านใช้คำว่าทิฏฐธรรมสุขาวิหารอันนี้ก็จากพระไตรปิฎกเล่มสิบหกนะครับหน้าสองร8อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบและก็ข้อห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิเอ เราลาบสกายะช่อเสียงเป็นอันตรายแม่แก่พระอราหารันแต่ว่าเป็นอันตรายแก่การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันที่จะทำมาสุขวิหารแปลว่าถูกลบกวนไม่หยุดยอดแต่ยิ่งในสมัยของพวกเรานี่ด้วยแล้วนะครับอาการค ม, มนาคมติดต่อถึงกันหมดทั่วประเทศทั่วโลก เล่าลือกันว่าใครเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอารหาันคนก็แห่ขันไปกราบไหว้ทาบุญขอสิริมงคลสารพัดอย่างก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นจริงหรือว่าชาวบ้านแต่งตัง้งหรือว่าบัรดาศิยานุสิ์ช่วยกันโฆษณา ีเมื่อคนพากันเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์แล้วลาบสการะก็หลั่งไหลมาชื่อเสียงก็ฟุ้งขจรไปถ้าท่านไม่เพิกเพลินในลาบสการะในชื่อเสียงท่านก็อยู่เป็นทุกข์เพราะว่าถูกข่มล้อมถูกรบกวนถูกมิหมดไม่ว่างเว็นแน่าสงสารเพียงไร ยังมีเสียงสรรเสริญทางสื่อมวลชนและบรรดาศิษย์ว่าท่านมีเมตตาสูงด้วยแล้วแล้วก็พากันไปใหญ่แล้วท่านก็ลำบากท่านก็แสนจะลำบากมีตัวอย่างมากมายนะครับพระพุทธเจ้าจัดว่าอานุน ลาสการะชื่อเสียงเป็นของทายรุนเพน็ดร้อนเป็นอันตรายเกิดการบรรลุธรรมอันประเสริฐเพราะฉะนั้นพวกเธอพึงสำเนียกว่าพวกเราจักละลาบสการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจักไม่ครอบงำจิตของเราไม่ให้ครอบงำจิตของเราชาวพุทธสาวส่วนมากอ่อนแอเกิดไป สิ่งมะเก่าชีวิตและความหวังไปแขวนไว้กับความไม่แน่นอนฝากไว้กับตัวบุคคลบางกับวัตถุที่เชื่อกันว่าครั้งเลยศักดิ์สิทธิ์บางถ้ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาในโลกซึ่งมันเป็นของแปลกเป็นของพิการตอนนั้นเองเราก็ไปเชื่อกันว่าเป็นของครั้งเลยศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไปอ้อนวอนขออะไรต่ออะไร ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาชีวิตเมื่อมีปัญหาชีวิตขึ้นมาถึงเที่ยววิ่งหาที่พึ่งภายนอกเช่นนำมนต์มอดูเครื่องรางของขลังและสิ่งที่ตนเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ในที่ต่างๆแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองมากมาย เสเวลาเดินทางไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเมื่อไปถึงแล้วก็ต้องเสียเงินอีกหลายรายการหมดไปไม่น้อยเพียงเพื่อจะทำสิ่งที่ตนเชื่อแต่ไม่มีใครแม้แต่คนเดียวหรือตนของบุคคลผู้นั้นเองที่จะสามารถประกันหรือรับรองผลได้ว่าจะมีผลจริง คือไปทํามาแล้วถ้าเผื่อมีผลจริงสักเล็กน้อยก็เอาไปเล่าลือกันแต่ถ้าไม่มีผลจริงก็ไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครพูดอะไรก็เจ้ากันไปถ้าไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครฟ้องร้องไม่มีใครกล่าวหาในข้อหาว่าหลอกลวงทําไมไม่มีผลตามที่โฆษณาหรือตามที่บอกให้คนไป ในคุณสมบัติของอุบาทศกบาสิกานะครับพระพุทธเจ้าทรงสแสดงคุณสมบัติไว้ห้าประการคือว่าข้อหนึ่งมีศรัทธาศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญานะครับมีศรัทธามั่นคงแต่ประกอบด้วยปัญญาสองมีศีลมีศีลดีมีศีล ด, ดีนี่มีมีความประพฤติ์ดี มีเจริญจัญญามารยาทมีมารยาทดีใครเขาผ่าสมาคมก็รู้สึกว่าดูดีอมีมีกียาวาจาเรียบร้อยดีก็ <c oughs> สามไม่ถือมองคลตื่นข่าวะคือเชื่อกรมไม่เชื่อมองคลภายนอกเชื่อกรำถ้าเชื่อกรรำให้หนักแน่นแล้วมงคลภายนอกก็ไม่มีความหมายอะไร เราไม่เป็นวัตถุแห่งความหลอกลวงได้อีกต่อไปไม่สามารถที่จะมาหลอกลวงบุคคลผู้เชื่อ ก, กรรมอย่างหนักแน่นได้อีกต่อไปแต่ว่าหากินไม่ได้กับสิ่งเหล่านั้น <c oughs> <c oughs> ประการที่สี่ไม่แสวงหาเกตบุญนอกพุทธศาสนาขอหาบำเพ็ญบุญในพุทธศาสนา อันนี้จากพระไตรปิฎกเล่มยี่สบสองนะครับข้อสอง้สามสิบหน้าส <c oughs> องรอสามสิบมงคลภายนอกอก็คือสิ่งต่างๆ ต, ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะครับพาใครเป็นคนจกักจูงให้พุทธบริษัทไปหลงไหลในมงคลภายนอกทำให้เขาสูญเสีย ความเป็นพุทธบริษัทที่ดีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตำหนิไว้มากเขาต้องการอะไรจากพุทธบริษัทเมื่อประชาชนอ่อนแอทางจิตใจอยู่อย่างนี้ก็อ่อนแอไปหมดทุกเรื่องอ่อนแอไปหมดทุกเรื่องผลที่ออกมาก็เป็นการชอบทะเลวิ ว, วาท ก้าวราวกินเหล้าเมาหยาเสพเพยย่อหย่อนในการงาน โ, โหกหกหลอกลวงไร้ระเบียบเป็นไหนเชื่อง่ายเป็นเหลือของการโฆษณาจะเป็นโอกาสให้คนทุจริตมิจฉาชีพซึ่งมาในเสื้อคลุมของอาชีพต่างๆสวงาผลประโยชน์บนความง่เครา ความอ่อนแอทางจิตใจของประชาชนเหล่านั้น <c oughs> จะนดูฟังกับเมื่อประชาชนของเราส่วนมากมีลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ระดับสูงลงมาถึงระดับต่ำแล้วสังคมส่วนรวมจะเป็นอย่างไร เราจะเข้าถึงวัดใจศาสนาของเราได้อย่างไรพุทธศาสนาสอนเน้นให้พึงตนและพึงทำเป็นเรื่องของคนแข็มแข็งและคิดเป็นผมเชื่อว่าคนส่วนมากจะทำได้ถ้าเขาได้รับการแนะนำอย่างถูกต้องแต่ที่เขาทำไม่ได้ เพราะเขาไม่เพราะเขาไม่ได้ทำและเขาได้รับคำแนะนำให้อ่อนแอให้หวังพึ่งมองคลภายนอกให้หวังพึ่งมองคลภายนอกมากกว่าความสามารถของตนแม้เด็กจะไปสอบข้าวเรียนต่อนะครับผู้ใหญ่ก็ยังไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย เขาสอนอะไรแกดเด็กในขณะที่เขาไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยเด็กนั้นเขาสอนอะไรแกดเด็กผู้ใหญ่เองจะสอบเลื่อนชั้นยังเอาปากกาไปให้พระพรมน้ำมนต์ดูสิจะไปสอบเลื่อนชั้นทาไมไม่ไม่ฝึกฝนความสามารถทำไมไม่พยายามให้เชื่อมั่นในตัวเอง ทำไมไม่คิดตื้นตัวเองทำไมต้องเอาปากกาไปให้พระพรมน้หมดต์ยังมีเรื่องอะไรอะไรอีกเกออยอะแยะครับจีปัถะจารย์นยไม่ไหวซึ่งเป็นเรื่องของการเชื่อถือมงคลภายนอกแล้วก็เป็นศีลปฏิติพรมมานเป็นความงมงายเป็นการหันหลังให้ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือว่าถ้าพูดกันให้แรงนิดหนึ่งก็คือว่า เ, เราได้แข็งข้อก่อกระบทต่อคำสอนของศาสนาและศีลธรรมรวมทั้งศัสดาของตนเอง <c oughs> ก็เพราะว่าเราทะเยอทะยานอยากได้อะไรที่มันไม่ใช่ อันด้วยความสามารถของตนเองหรือว่าเกินขอบเขตหรือว่าอยากได้โดยไม่ต้องลงมือทําไม่ต้องทําเหตุให้สมควรกันแต่อยากได้ด้วยการอ้อนโวดแต่ไม่ต้องการทําเหตุให้สมควรแก่ผลที่จะได้รับก็ไม่มีซ u f f i c i e n c หรือ efficient cost ถ้าไม่สร้างเหตุให้เพียงพอกับผลที่ต้องการ แล้วก็ถูกชักจูงไปในสิ่ ง, งต่างๆได้ง่ายที่สุดเพราะความเป็นผู้เชื่อ ง, ง่ายไม่ใช่ปัญญาแล้วก็ความรู้ของโลกปัจจุบันนี้นะครับได้ผลักดันมนุษย์ให้จมอยู่ในโคลนตมแห่งวัตถุนิยมถ้าได้เปลี่ยนแปลงมนุษย์ ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ง่ายกินง่ายให้กลายเป็นมนุษย์ที่อยู่ยากกินยากมักมา ก, มากและกลอบโกยไม่สิ้นสุดซ <c oughs> ึ่งเป็นต้นตอแห่งความเสื่อมทามทางศีลธรรมเพราะว่ความคิดของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปได้เปลี่ยนไปมากทีเดียวเด็กไทยเด็กไทยสังคมไทยทุกครอบงำ อยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้สิ่งไม่ใช่ศรัทธาและปัญญาในพุทธศาสนาประชาชนส่วนมากสิ่งยังเข้าไม่ถึงศาสนาของตนเข้าไม่ถึงในสภาพจิตใจเช่นนี้นะครับจึงพร้อมที่จะฮือหาฝากตัวกับใครก็ได้อะไรก็ได้โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งกับข้าสงฆ์ที่เขาคิดว่าครั้งและศักดิ์สิทธ ที่เขาคิดว่าเป็นอริยสงตามความเชื่อของเขาที่บุคคลบางกลุ่มแต่งตั้งขึ้นมาคนที่จะรู้ว่าใครเป็นอริยสงตนเองก็ต้องเป็นก่อนต้องมีภูมิจิตเท่ากันหรือเหนือกว่าแม้ในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์อยู่ด้วยกันมากๆก็ไม่รู้ว่าใครเป็นพระอริยะหรือไม่เป็น เมื่อพระพุทธเจ้าจัตออกจึงลุกขอให้ชาวพุทธเราเราฟังเรื่องนี้กันไว้ด้วยนะครับอย่าลุ่มลงอย่าลุ่มลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลุ่มลงอาจารย์ของตนจนเห็นเป็นพระอริยสงฆ์ไปโดยที่ท่านเองก็ยังไม่ได้เป็นหรือว่าจะกลายเป็นพวกจะกลายเป็นความมืดสีขาวความมืดสีขาว เหมือนเวลาที่เรามองดูดวงอาทิตย์ตอนที่มีแสงแรงกลา้าตาของเราจะข่ามวัวไม่เห็นอะไรชัดเจนท่านเจ้าคุณพระธรรมบิดกประยุทธ์ประยุทธ์ตโตพูดไปที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ 5, 000, ห้ากุมภาพันธ์สอง7ันห้ารอยสามสิบเจ็ดใจความสำคัญอย่างนี้นะครับ เวลานี้ชาวพุทธควรให้ความสนใจกับหลักพุทธศาสนาให้มากชาวพุทธในปัจจุบันแกว้งไปแกว้งมาตามเรื่องราวเหตุการณ์และบุคคลอย่างมากไม่ได้หลักถ้าเรามีหลักก็สามารถจะวินิจฉัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้การที่จะไปฟังทางโน้นทีทางนี้ทีสิ่งจะทำให้เกิดความวันไหว ถ้าดำรงตนไม่ดีอาจล่นไปจากศาสนาก็ได้อย่าเอาศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคลเพราะถ้าทำเช่นนั้นเมื่อบุคคลเป็นอะไรไปศา ส, สนาก็จะร่วงลนไปด้วยแต่ถ้ามีหลักเยยสีอยงศาสนาก็อยู่ที่ตัวเราเป็นของเราท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เ, เวลาหมดแล้วครับ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 จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่3กันยายน2542นะครับเมื่อวานนี้งดออกรายการไปวันหนึ่งเพราะฝนตกหนะักวันนี้ก็ก็พูดต่อจากเมื่อวันที่หนึ่งนะครับ พอจากวันพุทธที่ผ่านมากำลังพูดกับท่านผู้ฟังอยู่ในเรื่องศรัทธากับปัญญาถ้าเจ้าพุทธเราจับหลักให้ได้แล้วก็พัฒนาตนให้มีปัญญามากพอก็จะสามารถวินิจฉัยได้เองว่าอะไรถูกอะไรผิด เพราะว่าปัญญาจะเป็นตัววินิจฉัยสุตะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสุตะนี่แปลว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเราได้ยินได้ฟังอะไรมาอันนั้นแหละเป็นสุตะของเราถ้าไม่มีปัญญาเราก็วินิจฉัยไม่ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องอาศัยปัญญาเปปัญญาสุตะวินิจฉินี ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตทีนี้ถ้ามีจิตใจดีขึ้นจนสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นส่วนมากแล้วก็เป็นผู้ไม่ประมาทสามารถรักษาจิตได้ด้วยสติแล้ว ก็จาะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่ครั้นครามไม่สะด u n แล้วก็ไม่ต้องเชื่อถือเพราะเหตุเทียนว่าเป็นกรรมของสมณะอันนี้เป็นเป็นพระดำรัสของพระพุทธเจ้านะครับไม่ใช่ของผมวนนัจพันธ์สมณะวัญญาเอตุปิกัชตชะติไม่ต้องเชื่อถือเพราะเหตุเทียนว่าเป็นกรรมของสมณะ แต่ว่ า, ารู้ได้ด้วยตนเองว่าวินิจใจได้ด้วยตนเอง เ, อเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ก็ไปออกธรรมะร่วมสมัยอของสำนักข่าวไทยอสมทก็มีปัญหาเรื่องที่มีคนถักทวงเข้ามาเรื่อยว่าถาเราวาด ร, รักษาศีลห้า จะไปตักเตือนอะไรจะไปว่าอะไรกับพระที่ศินสองร้อยี่สิบเจ็ดคือผู้ที่ทักท้วงก็มาเกห็นว่าคาราวาสก็ควรจะอยู่ส่วนคาราวาสไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องของพระหรือว่าไม่ควรจะไปตักเตือนพระเพราะว่าสินสองร้อยี่สิบเจ็ดชาวบ้านสิลห้าก็ยังไม่ครบก็ว่าอย่างนั้นก็พูดกันอยู่เสมอแทบจะทุกวัน อันนี้ผมก็ขอแสดงความเห็นในที่นั้นว่าอย่าพูดกันเลยว่าใครศีลห้าไข่ศีลแปดไข่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดรอไข่ศีลห้าร้อยอะไรก็ตามใจก็อย่าไปพูดกันเลยถ้าพูดกันว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดดีกว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิด แล้วก็ว่าคุณตาอายุแปดสิบแล้วก็หลานอายุยี่สิบแปดรือหลานอายุสิบแปดนะก็แล้วแต่แต่ทีนี้ค่ะคุณตาก็เอาอายุมาคูเ่เรื่อยว่าเองอย่าพูดเลยเองอายุาอย่างน้อยตาอายุแปดสิบแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรหลานพูดไม่ได้ตาพูดได้คนเดียวเพราะว่าตาอายุแปดสิบแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าเอาอายุมาคู่หลานอยู่เรื่อยจนไม่ฟังเหตุผลไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรตาถูกเสมอเพราะตายุแปดสิบแล้วในความเป็นจริงท่านผู้ฟังลงนึกตัวในความเป็นจริงตาผิดได้ไหมคุณตาผิดได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอายุก็เรียกว่าอ้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผล ในวิชาที่ว่าด้วยการใช้เหตุผลนั้นมีลักษณะของการอ้างเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลแล้วฟังไม่ได้ว่าคุณตาก็อ้างอายุอยู่เรื่อยแล้วก็เลยไม่ต้องพูดเหตุผลกันว่าเหตุผลนั้นเป็นอย่างไรสิ่งที่ถูกนั่นคืออะไรเพราะนั้นก็ ผมก็ขอเสนอว่าอย่าพูดกันเลยว่า